ทำไปอ่งกำแบงไปงนี่คือนี่คือสภาพในชนบทที่ผมก็บอก่าสิ่งนีไหมมีโรงเรียนด้วมีวัดอะไรวัจากไม่มด้ถือคนเราได้ทาบุญไม่ได้ทิ้งเลยนขอาอาเป็นขอบพระคุณที่เองที่ว่ามผมมีความจาเป็นต้องจ่ายเงินนถ้าผมมีเงินผมก็ไม่เมดียวรันเรม่ได้กินก๋วยเยวขอบ นีน่คือตัวอย่างว่าบ า, าค ง, คงครั้งใช่ผมานะอาจจะคิดเราเองก็ได้แต่บางทีความคิดบาคิดเราเองหรือผมต้มมมมองต้องวาให้เป็นที่ถกว่าผมก็ต้องไม่ทําอะไรเกินความที่มัน ค, ค, คือมันหน้าขำนะบางครั้งเนี่ยเช่นผมไปที่วัดวัดหนึ่งอยู่ในเขตอาเภอสวีจังหวัดชุมพรผมไปขอพักพระรูนี้ที่เขาเป็นเจ้าว่าเขาอายุมากมันอยู่ในคุณติที่ที่ดีพอสมควรท่านแก่มากแล้วแก่จนกระทั่งลูกไปไหนไม่ก็ได้แล้วนะพอผมไปขออนุญาตพับ ท่านก็อนุญาตให้รับแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าจะพักตรงไหนได้ท่านก็บอกให <c oughs> ้ได้ได้เรียนหนัสืานได้ <c oughs> แล้วท่านก็ยังเห็นว่ามีเด็กไปเรียก ท, ท่านซึ่งมีหน้าดีคอยจัดการให้ติประมาณนี้นะเรียกมาขอเรียกมาผ ม, น, น, าม น, า น, นั่งอยู่ที่บันไดทางขึ้นจริงๆท่านท่านนั่งอยู่ข้างในพอพักรูปนั้นมาเขาก็มานาั่งเทเขาเฉียงกันแล้วผมนั่งฟังแล้วผมได้ความรู้มากเลยคือหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดบอกว่าไม่เชื่อดูที่เรียกเขาพหน่อยประมาณนี้ภาษาภาษาใต้ครับ องที่ดูแลที่บอว่าหลวงพ่เป็นได้ยัง ไ, ไงเขาเป็นคนแข็งเขาอาจจะมีเขาพูดในความาณผอาจจะเป็นพวกนันแต่ารหลวงพ่ออันนี้ก็าพยายามจะพูดเขาไม่แตก<อ>็ดูดูหดูเรียบร้อยดีอะไรบางอย่างนะคือทุกคำพูดผมได้ยินหมดเลยนะเข <c oughs> าคุยเป็นประมาณเกือบครึ่งชัวง่วโม ง, แ, งแล้วก็แย้งกันระหว่างพระที่เป็นเจ้าวากับพระลูกศิษย์หือเป็นผู้ดูแลวัดอิเลสาไม่แน่ใจเนะี่ยถียงกันว่าควรใหพพ้พักหรือ่ครับองที่เป็นเจ้าวาบอกว่าน่าจะให้พักได้ ุดท้ผมบอกว่าพักไม่ได้ก็บอกไปที่ว่าเรามีเงิที่พักเขาก็ต้องไปอยู่แล้วเขามาขอเราไม่ให้เขาก็ต้องไปเหตุผลเขาดีทั้งคู่เลยนะครับ <c oughs> เดียงกันไป <c oughs> เดียงกันมารู้สึกต่อมาคง ผมไม่ที่ถเลยนะครับจนผมต้องพยายามนะครับชวนคุยเพื่อเขาสบายใจเพราะ่ในคืนนี้เราต้องรับด้วยกันหมดแล้วไแกก็กลัวถม่ามาจากไหนก็ไม่บี่เขาไปหนึงหัวไม่ที่เลยนะเขาบอกที่หัอยอยู่เดียวไอ่ก็ไม่ยอผมก็นั่งคุยกับคนคนนี้นะซึ่งเราจะได้เป็นมิตรมันจะได้รับด้วยกันประมาณนี้ได้ถ้าเป็นยังไงก็มีอะไรก็มีด้กันปรากฏว่ามืดแล้วหละ ก็เตรียมจะนอนคุณนนี้ก็เตรียมแกนี่ถึงแกจะไม่เป็นประกอบแต่เคมีที่นอนอย่นดีนะท่นพักแกนอเตรียมที่จะนอนของก็เตรียมมานนอนนอนเลยกันถามมันเรียมไม่ต้องนเตียงก็ยิ้มย้ห้ผม่อค่านพระกมีพระท่านเป็นระที่จเป็นเลขาลูกกายท่านหลวอลงพ่เป็นท่านราชาคะท่านมาถึงถามโยมมาจากไหนเป็นเสียงดังมากเลยเสียงดุมากเลยขาวก็ตอบผก็นั่งท่านยืน มาเรื่อยๆจนกระทั่งมารู้ว่าผมเป็นยังไงผมรู้ผมมีความรู้ทางศาสนาว่าผถามว่าสามสุดท้ายมาถามผมท้าสุดลงที่สามว่าในทางศาสนาเนี่ยนักเขาร้องนักสื่ใครบ้างสนใจงานสนใจบ้างนักเขารมีเยอะแต่ท่านนักเขาร้อมากคือเกษตรทีกอ่านหนงสืออะไรของท่านบ้างอ่านอะไรบ้างกืบมดกีเล่มขอมันที่กระดุด้วยนะ ชุดธรรมโคตี่เขาอ่าเล่มที่หนึ่งบ้านดีๆเล่มที่สองะไรเนี่ยีังพวกมัน้มันเยอะเห็ครับ้าผมก็ต้องไล่ว่าะชุดธรมคันมีดีเล่มเดียวไหมแล้วเล่ที่หน่งกไดผมไล่สรามโคติไม่จะจบมาแล้วพอแล้วอแล้วอแต้งหันหลังไปเลยหหลังไปเล้าวนายโ้ตรเขาหทานอะไไม่ใช่ตั้งันนีนี้มีถุงมืิ ในถุงตรงมีผลไม้มีล้วยมีส้มมีเครื่องึง่มัวยยางยิ้วมีอะไรจะบอกอยากนอนตรงนี้เลยมาเปิดไฟตั้งคืนเลคือไฟมันจะเข้าตาผมใช่ไหมไปนัดชื่อท่านก็ไปหามุง ม, มาให้าหาหอนมาให้ตปาานอนที่ท่จัดที่ไรนอย่างดี นี่คือนี่คือบรรยากาศที่ที่เราเจคือตอนนี้ผมไล่ํารมโคตรท่านผมคิดอยูว่าถ้ามันจะโหกหรอหลอกลวงเราถ้ามันหลอกลวงใครมนจะยอ่ไหอไก็ครจะยอมก็วจะยอมก็ยเองกอธิบายว่าแต่เราเล่นมีสาระว่าอย่างไงบ้างถ้ก็ยอมแล้ว่าดีมากเลยธรรน้ามีเครื่องดื่มไห้ผมละบรรยาาหรืออะไรจให้บอกท่านพาไปดูห้องน้ำว่าอาบน้ำอะไรนี่ บางั้งเราคิดเอาเองไม่ได้ที่จะมีเหตุว่าเนี่ยนะครับแต่บางครั้งเราก็ต้องคิดตรวจค้เกินก่อนก็ไม่ใช่นะครเราทำอยู่ถามด้วยมาเียใจยอดหลังว่าเรื่องความไม่รักระวังทห้นเราเดือร้อนนี่เดร้อนที่คุณไม่เห็นเร่าเดือร้อนมากแต่การที่ช้แก่คนหนึ่งทำให้ลูกสาวกังวลนนะครับเราไม่ทำให้เกิดเดืร้อนทำใหลูกสาวแกเป็นห่วงพ่อถ้าใกล้ๆกุมาแล้วแต่นี่คุณอยู่กันไกลแลวเพื่อนบ้าน หลังอะไรคือยังไม่ไขอให้มี มันจะกัวนจิตใจเขาเลยเพราะเ็จะคิดด้วยทำไมไปอะรประมาณนี้ที่ผมไม่อยากให้เกิดปัญหาเลยอาจารยกวรจิตใจก็บอกออกไปที่ขนาดผมอยู่คำถึาบอกไปหานกเขายังบอกว่ามันไปแต่ที่ความจริงมันไม่ได้ไปเท่าไหร่อาจารยผมดูแผนที่แล้วทั้งผมก็จะพยายามบอกที่มันไม่ไกลเดนไปก็รา้าไกลแล้วมันจะทาให้เกิดปัญหาอาจารย์เป็นแผนที่แบบรถยนต์หรือว่าเป็นแผนที่อะไรยี่ห้ออาจารย์แผนที่ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นแผนที่ทั่วไปเนี่ยครับ ติ๊กเป็นสองหน้าหน้าแรกเป็นแผนที่ภาคเหนือไปจนถึงภาคกลางหน้ า, าจากภาคกลางไปที่ภาดดคใต้อนะไรเงี้ยนเป็นแผนที่แต่ละจังหวัดมีแผนที่แต่ละจังหวัดมีรายละเอียดลงไปมีชื่อหมู่บ้านถ้าถ้าเป็นถนตนก็บอกหมายเลขถนนบางครั้งอย่า ง, งแต่ผมก็ไม่จําเป็นต้องไปถามหมายเลขถนนอะไรมากมายจะเป็นแค่บางครั้งเมื่อผมต้องการจะจะเดินโดยที่ไม่เป็นถนนใหญ่ก็จะไปถามชาวบ้านว่าถ้าผมจะเดินไปทางปืนนี้โดยที่ไม่ต้องเดินบนถนนนี้ผมจะไปทางไหนไดบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าวผมไม่ต้องการจะด กาบ้านช่ยวออยก็มีบางคนอาสาเลยจะไปส่ง บ, บ้างอะไรบ้างเนี่ยะครอาสาจะมี ม, ม, มีตลอด ที่ท่านปฏิบัติไปแล้วแล้วก็ในอะดีตท่านเคยเป็นโลกเนี่ยมันก็ไม่ไม่เป็นสถานที่แบบแนวดีคือการการสมัยเปลี่ยนรูปแบบไปการศึกาไม่ได้เหมือนกับในอดีต ท, ที่จริงถ้าเป็นในอดีตเนี่ยหลวงก็คุ้นต้นลูกศิษย์เยอะแ ย, ยะมากมายที่จะต้องเข้าไปหาเองหลวงก็คุ้นก็จะใช้ใท้เป็นธรรมะ เดจะเดี๋ยวจะไม่ได้แรกเปลี่ยนประเด็นคือบ้อานที่หลังเนี่ยผมฟังอาจารยรมม์มโนผมคิดว่าที่ประชุมอาจจะได้เรียนรู้ร่วมกันเรื่องเหมือนผมใว่าอ า, อาจารย์กําลังจะพูดถึงเรื่องของการจําจัดปัญหานะ้าซึ่งผมคิดว่าการจําจัดปัหาน้าเนี่ยหรือว่าความไม่รู้นี่นะครับมันมีอยู่ในทุกสังคมเช่นเรามองภาพขความเป็นวัด ก็ได้เพราะมันมันเป็นของหน้ามุมถ้าเป็นทางภาคเหนือนะครับหรือว่าทางภาคใต้ทางภาคการให้สาวัดเป็นที่สัญจรของคนทั้งสี่ทิศอันนี้คือความความรู้สึกหรือว่าเป็นชุดความรู้เดิมแต่อาจารย์ประบวลเดินมันก็ทําให้เราได้รู้ว่ากว่าที่จะยิ้วถุงผลไม้หรือใบตยมิ้วมาเนี่ยต้องถามถึงชุดธรรมโคตรเดี๋ย ท, ทั้งทั้งชุดอย่างเงี้ยคืออันนี้ในวัด อันนี้อันนี้ในวัดใช่ไหมครับก็ทําทให้เราได้เรียนรู้ว่าเอื้อความสัมพันธ์บนฐานบริบทที่แตกต่างหลากหลายโดยเฉพาะสังคมที่ันกำลังสลับทับซ้อนอย่างบ้านเราทุกวันเนี่ยแม้กระทั่งในวัดเองก็ก็ยังก็ยังเกิดความกลัวก็คือเกิดเกิดความกลัวจนกระทั่งมีอคติครอบงาเ ส, บ เ, เสร็จสรรเสร็จเร็จและการที่จะทําลายกําแพงเรื่องของความกลัวหรือวัตติเนี่ย คือการพูดคุยกันธรรมดาเนี่ยแหละไม่ต้องไปสลับซับซ้อนอะไรเลยถามาก็บอกไปหรือแม้กระทั่งอย่างที่อาจารย์ซึ่งเขาก็รู้หอกว่าอาจารย์ฟังภาษาใต้ได้ได้ถนัดถนิ่งเนยกว่าที่จะให้ไปนอนสุตรีดีๆบนในเชิงเขาสีขาวเนี่ย ก, ก, ก็ต้องมีการทะเลาะ ก, กันร่วมผมใช้คว่าทะเลาะ ก, ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดข้อตกลงที่ดีในทิศทางที่มันจะเกิดความความเข้าใจไม่ใช่ความปลอดภัยนะความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการการที่จะกําจัดความไม่รู้หรือว่าปัญหาห น, าน้สิ่งที่ดีที่สุดอาจารย์สมบูรณได้ได้พยายามจะบอกว่ามันมีทุกพื้นที่แม้กระทั่งในวัดก็ต้องมีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงผมผมจึงเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วตอนเนี้ยความสำนึกซ้อนหรืว่าความผมได้ว่า คือสังคมวัดเราทุกวันเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหมายเพราะฉะนั้นไอคิด ว, ว, ว่าวัดจะเข้าใจทุกทุกๆเรื่องเนี่ยมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจหรอกบทเรียนเราก็พบดังนั้นผมคิด ว, วา่าท่าทิศทางท่าทิศทางในการที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างใ่การคำนวพูดเนี่ยมันเยอะมันต้อ ง, อ ม, องมันต้องปฏิบัติในเชิงอย่างที่อาจารย์คำนวแต่ไม่ใช่ว่า ท่านหากําลังจะบอกให้ทุกคนไปเดินอย่างอาจารย์บรมนรไม่ใช่นะ ค, คืออย่างเช่นโยมจ๋าอยู่กรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไข ท, ที่โยมจาย๋าพยายังใชก้กับการเรียนรู้ใบเตียงเนี่ยโด ย, โดยที่มีเป้าหมายให้ิษวิวัตรออะไรอันนั้นก็เป็น บ, บทเรียนหนึ่งซึ่งา ก, การกำจัดปัญหาหนะ้ความไม่รู้ในเชิลงลักษณะที่เรามีหน้าที่กับมันแต่ต้องทําผมคิดว่าทุกพื้นที่เนี่ย ต, ต้องมีเรื่องของ การแลกเปลี่ยนถ้าขาดเรื่องการแลกเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ไม่เกิดแล้วการจกำจัดความไม่รู้ก็ไม่มีสรุปสุดท้ายคือครูพระเจ้าทา่านใช้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่านใช้ว่าอาจารย์นังก็มาอย่างบัณฑิตาผมว่าบัณฑิตต้องสุดโตนทับว่าบัณฑิตช่องสุดโตนมันสุดโตนในผู้ศึกษาอาจจะนะภายในภายนอกต้องพบ ผมคว่าตัวนี้แท่นบางทีที่พวกพยายามจะบอกว่าเราเราใช้ความรู้เดิมหรือว่าชุดความรู้ทางวัฒนธรรมหรือว่าอะไรก็ตามแต่อันนั้นมันก็ไม่จริงเสมอไปบางทีมันอาจจะมีเรื่องของการสร้างใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคงจะเป็นเรื่องของของความจริงคงไม่ใช่เรื่องของจินตนาการหรือว่าไม่ใช่เรื่องของการนึกคิดเอาเองเพราะว่า ถ้าเป็นความจริงเนี่ยอย่างพุทธเจ้าใช้่ก็ว่าคือถ้ามันเป็นของแท้นเนี่ยอาการเรโกรเนี่ยมันไม่จำกัดเวลาที่จะพิสูจน์ได้อย่างอาจารย์ตะพนกำลังพิสูจน์อย่างเงี้ยถ้าไม่เชื่อตัวเองนี่ปฏิสิโก้ก็ต้ตามไปดูที่ก็ลองทํำดูก็ลองตามกระบวนการดูใช่ไหสุดท้ายเองนี่ปฏิสิโกโอมันนันโย ป, ปัดจัดตังมันต้องรู้ได้ด้วยตัวเฉพาะแต่เวทีตัดโฟก็คือการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคือการแลกเปลี่ยนคือการกาจัดความที่รู้คือทําให้แจ้งทุกๆสว่วน วันนี้ผมผมได้เรียนรู้เรื่องของเรื่องของพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันอยู่บนเงื่อนไหนของความแปรปรอนการที่จะจัดการเรื่องของความแปรปรอนได้ดีสุดคือการกำจัดความไม่รู้สอดคล้องจะต้องวนูรวมรนที่จะได้แรกเปลี่ยนอันนั้นนี่คือข้อแรกเปลี่ยนนะครับในประเทศก็สนุ Wow. <laughs> ก็ใช่ว่าจะเป็นการเดินทางครั้งนี้ครั้งสุดท้ายที่ที่สามารถให้จักรพมลเรียนรู้อะไรได้แต่ว่าการเดินทางของจกักรพมลก็คือเขาก็ไม่ได้ออกไปเสี่ยงภัยนีทุกครั้งแต่เกิดจากการสั่งส่งที่นั่งคิดเกี่ยวกับตัวเองนั่งคิดเกี่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจวาวันนั่งคิดกับกลุ่มคนกลุ่มชาวบ้านที่มันเป็นเรื่องที่เซฟที่ปลอดภัยมาก่อนไม่ใช่ว่าประสบการณ์ครั้งสุดท้ายครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ การเรียนรู้ทุกอย่างสมบูรณอยากจะให้มองว่าเอ๊ะการเดินทางการสะสมการเดินทา ง, ทา ง, ทางทมงาสมัยามันมีมาตั้งแต่ต้น แ, แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายมีเรื่องนี้เข้ามาแต่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องที่แบบเข้ามาเติมเต็ม2คำขาบางบานปลายชีวิตอะไรบางอย่างที่ที่แบบอาจจ ะ, สะแสวงหางมาก็าเลยกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามองว่าเราเราเป็น เรื่องกฎเอาเปรียบอะไรเนี่ยมันมากระกอบใจเราเนี่ยค่ะเราเราเข้มแข็งไว้เรารู้สึกกันมาอยังไงก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความรู้สึกตัวเองได้เหมือนกันเรียนการนว่าเราจะโกรธเขาไหมเราจะรู้สึกว่าเรามีส่วนตนมากขนาดไหนเราแบบเปลี่ยนเขาเราขับแขลในใจไ่มคะมีสุดสึกอย่างเรื่องเาเปิดประเด็นนี้ใช่ว่าการเงินช่วยด้วยหรือเปล่าพอดี คือการการที่ได้เดิน สอนอย่างนี้หมด สังคมอะส่วนตัวมันก็แย่อยู่แล้วคือมันมนก็ว่าไอเดินถ้าถูก แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างคุณไม่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวคนณเองเพื่อไปเปลี่ยนแปลงสังคมไนดะ้ผมคิดว่ามันต้องถูกคุมในเชิงระบบผมยกตัวอย่างสวีเดนทําไมจริงๆแล้วผมรู้น้อยมากเกี่ยวกับสวีเดนแต่บางแง่มุมที่ผมรู้จักผมคิดว่าโครงสร้างความเท่าเทียมหญิงชายเนี่ยดีและโดยเฉพาะในยุโรป <c oughs> บางประเทศที่ผมไปซื้อนังสือมาพวกเป็นเฟรนชะ์นี่ยเป็นแนว เป็นแนวที่ไม่เหมือนอเมริกันผมเลยผมเชื่อว่าสังคมจะดีได้เนี่ยอยู่ที่ระบบโครงสร้างที่เราสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาชีวิดหนึง่งที่บอกว่าทุกคนเหมือนเราแล้วเราควรเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมไม่ใช่สังคมที่ยังต้องเบ่งกล้ามใส่กันสังคมที่เบ่งกล้ามคือสังคมแบบปีตาทิปไตยโดยเฉพาะอเมริกันเบ่งกล้ามที่สุดอังนั้นผม ผมยิงต้องเถียงอะคุณพิทภว่าเฮ้ยตะวันตกนี่ต้องแยกดีดีเพราะไอ้ตะวันตกที่แบ่งกล้ามใหญ่ที่สุดอะมันอยู่ที่อเมริกาในขณะที่คนที่แบ่งกล้ามมากนนขนาดนั้นมีตําราที่ดีที่สุดเรื่องเฟ็มนิดด้วยนี่ด้วยนะฮะคำตอบของผมก็คือว่ า, วาการทดลองชีวิตอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยภายใต้กรอบใตกรอบหนึ่งมันมีวรฒนธรรมที่ แล้วผมเชื่อว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยยากที่สุดสรุก็ยังไม่มีทางออกผ ม, ผมคิดว่ามีทางออกแต่ว่ า, าต้องอต้องค่อยทาค่อยไปไงเราจะทำยังไงให้ความสมมุติความคิดของผมเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะสมมตุตนน ะ, มะเมล็ดพันธุ์ที่ดีหมายถึงว่ามันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะขยายฐัน้วยนะผมพูดแบบทางดีนะ ทันทีพูดอย่างนี้ทางทีบอกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีมันพร้อมจะขยายพันธุ์ถ้าบอกว่าจะพื้นว่าจะพืชนส่วนใหญ่ว่าจะพื้นมันได้พันธุ์มันแข็งแรงอะไรกันอะไรนี่อะไรอัตรากันงอกสูงมากและต่างดีผมเชื่อว่าเมื่อไรก็ตามที่การปนัดในตัวเองแบบเนี้ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกแล้วแผ่ขยาย มันจะค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างแต่เมื่อไรก็ตามที่กลับไปเป็นปัจเจกทุก น, นนะผมคิดว่าผู้ที่ได้ประโยชน์คือผู้นั้นแค่ผู้นั้นในโลกที่เป็นโลีิวิสัยนะผมยิงเชื่อในสองลักษณะด้วยกันก็คือว่าหนึ่งเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสองหลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วกำกับมันไม้ได้ ผมพูดอย่างนี้พ่ออะไรเพราะว่าสิ่งที่อายกรารสงสุดชื่ออะไรที่ควรคณิตนนคอนคณิตนา น, น, นคอนบอกเลยว่าราัฐธรรมนูญปี40ของเราเนี่ยดีมากแล้วแต่การบังคับใช้ให้เป็นไปตามบทสัญญิไม่ดีกฎหมายลมโทษคอรัปชันและนักการเมืองทุจริตดีแล้วแต่ผู้ควบคุมและกำกับกฎหมายไม่ทำ หรือสตรสนิทยุทธธรรมไม่ที่ภาษาแบบที่ดีฉะนั้นนอกจากโครงสร้างนโยบายที่ดีแล้วการกำกับต้องดีด้วยแล้วจริงๆโครงสร้างมันจะดีต่อไปหรอคะรู้สึกว่าผมไม่สิ้นหวังเลยวิ่งพยายามคืออยนี้ยิ่งดูมันก็ยิ่งจะแบบมีเก่งขึ้นในการแบบยังไงดีคือใช่อาจจะโครงสร้างอันเดิมอาจจะไม่ค่อยดีแต่คนแบบก็ยังรู้เทคนิคน้อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เออ จะพัฒนาต่อไปเออพยายามจะให้ผลสร้างดีขึ้นแต่เขมันก็รู้เทคนิคในการจะแบบหลบหลีกผมพ<า> <ผม S 2> ูดง่ายๆนะทัดสิงทำการขายหุ้นเจ็ดหมื่นสามพันล้านเนี่ยบอกว่าเราในฐานะคนตัวเล็กๆเราทัดผานได้มั้ยผมคิดว่าได้เราคอยเป่านกหวีตลอดอเรามีเรามีนกหวีเราเป่าเลย ใ, <น S 1> ใช่ยไหมกรณีอย่างนี้ก็เช่นการแข่งของอันการแข่งขันบนในสนาม นสนามฟุตบอลนี่ถ้ากรรมการตัดสินไม่เป็นธรรมคุณโผล่ดีครับโผล่บ่อยๆโผล่ให้มันรู้สึกว่ามึงไม่เป็นธรรมนเพราะเราอยู่ในสนามเดียวกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ลงไปเล่นแต่เราอยู่ในสนามนี้เราจะโผล่เราจะเป่าเป่านกหวีดเราจะประท้วงซึ่งจริงๆเนี่ยสังคมทําหน้าที่กํากับแบบนี้นะฝากให้เห็นนิดนึ่ง ที่คุณพิพพกแปรเรื่องความคล่องในเทคโนโลยีเขาบอกว่าในสังคมในการเนี่ยเราพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการไปยังที่ที่ไหนหรอกแต่จริงก็ต้องการไปจากที่บางที่ขาไม่อใจคือที่ที่เขาอยู่เขาไม่พอใจเองก็ไม่รู้เป้าหมายเขาจะไปที่ไหนเองแต่เขารู้สึกว่าสังคมที่เขาอยู่ไม่น่าพอใจเขาไม่อยากอยู่ มันจึงต้องการในการพระพุนาเนี่ยมันจึงต้องการไม่พอใจในที่ที่ตัวเองเป็นอยู่ตลอดเวลาและจะไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่าไม่พอใจสิ่งที่าอาจารย์กังวลทํำคิดว่าอาจารย์ทำตรงข้ามเลยคืออาจารย์การเข้าไปเผชิญกับสิ่งที่ที่เรารู้สึกไม่มั่นคงหรืออะไรต่า ง, งเป็นการทั้งรู้เป้าหมายที่จะจนตัวเองจะทําด้วยและเป็นการคืนพอใจกับ ที่มันเป็นอยู่คือในสภาพของความเป็นอยู่มันเป็นแบบนี้และเราจะเข้าไปหาสิ่งที่ตัวอื่นเห็นว่าความเป็นอยู่มันจะความไม่ขัดข้องได้คือคือผมเห็นประเด็นตรงที่ทเรียเรีวิทย์หลดแล้วในสิ่งที่จาร ข, ขาาองผมถามมันผมว่าตอบคำถาม มีพวบพี่ใหญ่พี่หมอวิธานกระบวนการแถบนะฮะเขาอยู่ในชุมชนก็พูดถึงเรื่องความมั่นคงคล้ายๆกันในแง่ที่ว่าบอกว่าบางทีคนเราเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นที่ต้องถูกผลักไปอยบขอบแวซึ่งจะทำให้เกิดการตื่นตัวตื่นตัวซึ่งไม่ใช่ตื่นเต้นเพราะตื่นตัวแล้ว คนก็ถูกผักไปอยู่ขอมเหวหลายหลๆหนแล้วก็เป็นการสนทนาที่สนุกมากเลยนะฮะแล้วก็แต่ว่าเหลือจริงๆมันเลยเวลามาแล้วนิดนึงแต่ว่าอาจจะให้อีกได้สักสองสานาทีเพราะว่าอยากฟังเสียงเล็กๆ <c oughs> จากอย่างนักศึกษาวันนี้จริงๆเห็นมีลงเรียน ม, มาจากสาธิตด้วย คุณไยเที่ยวแล้วกลับมาเดี๋ยวจะลองฟังถ้าถ้ามีอะไรนะต้องอ้อมต้องนัดควารไม่หนีนี่คือความสุดยอดนะ โจทย์นั้นเช่นเดียวกันก่อนเดินเดินทางว่าอาจารย์อยากจะรู้ว่าสังคมไทยมันยังมีความก ร, รุณาเหลืออยู่รือปลด้วยด้วยไหมอันนี้เป็นโจทย์นะมหลังจากที่อาจารย์ใช้ประสบการณ์ห้าสิบวันเนี่ยจนไปถึงที่บ้านแล้วเนี่ยบ้านต่างจากตอนเด็กมากน้อยแค่ไหนหรือตอนเด็กอาจารย์จินตนาการเอาเองว่ามันง่าอยู่กับเดี้ปัจจุบันก็คงยังน่าอยู่อะอะไรที่อาจารย์เป็น เป็นคำตอบต่อโจทย์ที่อาจารย์ตั้งไว้ก่อนเดินแล้วก็คําตอบคืออะไรเป็นยุ่งยากคำตอบเชิงเหตุผลก็มีการเป็นการตอบคือการคนิดคํานวณเชิงเหตุล้าเข้าใจว่าคําตอบที่มันเป็นเชิงเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้ดิฟความมัม่นใจเท่าไหร่ถ้าเราไม่เชื่อมั่นว่าระบบคิดเชิงเหตุเราเ น, นเนี่ยข้มมีคําตอบอยู่แล้วว่ามันลุ้โดยธรรมชาติาแท้จริงน่าจะมีเมตตาธรรมในใแต่ว่าด้วยความวัง สามารถอะไรได้แต่มันเป็นอะไรที่ที่ยิ่งใหญ่ผ ม, มรู้จะขว่าอะไรนะขเขาอาจจะไม่รู้สึกตัวอะไรเลยตนะัวตัวกด้เหีนพิเศษชิ้นชนะเป็นชนะกนนนนนนน า, าจจะไม่รู้ประมาณหรือว่าเขา่ใหญ่ ก็ยังมีบุญที่ผมยังมีจิตใจเหลืออยู่ที่เี่กที่รู้หรือถ้ามันจะ ที่อดดังข่ เดินไปเห L มอนมาเลยคือมีเหตุไม่มีผลเลยนะไม่มีใไม่มีเลยก็าไม่ว่านมาผมจะทักกรีู้อดออันช่วยเยอนะครับของน้ามันนวดของถูเ ง, งเสของดีอะไเนี่ยนะมาให้นวดเครับแล้วก็ขอ <c oughs> ยของมทักที่นั่นคืน <c oughs> ผมเห็นว่าเป็นเมตตาทรงท่ารรนายอย่างดนะครับชื่อวัดลงเย็นเที่ย ช่งที่ผมเอามือรูปมาเนี่ยมันแสดงอากัปกิริยาที่เหมือนกับพอใจอ่ะและช่วงขณะแห่งความรู้สึกว่าตอนนี้ผมกําลังนอนแล้วมีหมาที่เลื่อนนอนด้วยผมผมบอกไม่ถูกเลยผมไม่รู้จะพูดด้วยภาษาอะไรที่มันดีนั่นหลกผมนะแต่มันก็มีสิทธิ์ี่ดีใจตื่ตั้งใจตื่นตันจที่ถึงเว่าผมตื่นตันใจที่หนึ่งคือมาที่เลื่อนรับผมเป็นมิตรนะครับตื่นตันใจที่ผมยังมีชีวิตอยู่จนทาให้มันใปอุ่นเพียงพอที่ให้หมาที่เลื่อนมาซึ่งตอนมาเข้ามันจะ ผมทั้งซ้ายทั้งขวาสีตัวมันนักไม่ถูกอย่ง้มันนอนแล้วมันมันมันกระทุงสีขาหัวทั้งสองข้างเเพราะว่ามันมันเกาอะพอมันเกาแล้วถาวรมาความรู้สึกตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่ผมไม่สามารถพูดพูดพูดอะไรที่มันเป็นของพูดได้มากแต่เป็นความรู้สึกที่ผมอิ่เตมกับชีวิตมันเป็นอะไรที่ผมบอกไม่ถูกผมแล้วผมก็หลับต่อไปอีกเพราะมันยังหลับไม่เต็มตื่นแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากเลยทีนั้น และสิ่งที่ผมมีความสุขกับการเป็นเช่นนั้นเนี่นะครับผมนั่นนินิดถึงทีใดนะครับที่ผมจําได้มาตอนที่ผมเอามือไปลูบหมาที่เลืนอนตแรกลูกข้างเดียวกับตลักที่แล้มันพอใจกับลูกมันทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วผมนึกถึงคาที่เราเคยใช้เสมอเวลาเราแผ่เมตตาที่ขอที่บอกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นร่วมผู้ร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้ยวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุ ข, เ ป, ส ข, เ, ปสขเป็นสุขเป็นสุขเกิดและตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ พ, พูดนี้ออกมาแต่อารมณ์จิตใจผมเนี่ยเป็นอารมณ์ความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่ผ ม, ม, มรู้ออกนุาที่มีความสุขแล้วลมมีความสุขมากๆเลแล้วกนมีควที่ดีมากผมอธิบายเหตุการณ์นี้เป็นภาษาแยกแต่ผมอยากจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ค่าชีวิตของคนคนเกบงนะได้ ม, มัับสภาวะนชีวิตของค่าเดียร์นี่เก๋เป็นยังง มันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยผมกลับไปอีกพยายามจะไปถามวัดต่างนั้นนะครับว่าตอนนี้คณะลิเกอยู่ที่ไหนแล้วผมได้ทราบสิ่งที่น่าขลกจากเจ้าวากวัดวัดหนึงบอกว่าคณะลิเกออกไปจากวัดนี้แล้วก็ไปทำศพปฏิเสธหัวหน้าคณะและพัดคนในคณะลิเกนั้นเอนะครับเสียชีวิตไม่รู้กี่คนเพราะท่านไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วผมก็เลยยังติดต่อพระเอกลิเกคนนี้ไม่ได้ชื่อคิษณะลิเกนี้ยชื่อลิเกว่าราเชนร่างน้อย ตาเชียนร่างเนาะเป็นคนะริเกตก็พาไม่ได้มีภาพจ้างรางวัลไปสแสดงแล้วก็ แล้วเนี่ยนะครับก็อบอเอาปรโมชันนี้ไปไปขึ้นกันที่กับหัวหน้าคณะตัวเองก็จะได้มา5บาทถ้ามีคนคลองเนี่ยนะครับท้อนวันใดที่เราแสดงคัทิเกแล้วมีคนพอใจซื้อโปรโมชันสองตัวสามตัวเขาก็ได้ไปสิบาบาทหรือ2ีบาทอะไรก็เป็นความรู้สึกที่ ด, ส ด, สดีส่วนเงินที่ได้จากมีคนบริจาคมานี่ก็จะมาแชร์กนะันตามความสําคัญคณะหัวหน้าคณะได้มากแล้วได้ส่วนลงมาอะไรเนี่ยนะครับแต่ผมถามแล้วเขาบอกว่าไม่หรอกไม่พอห กินมาพักที่วัดตอนที่วัดนี้ดีอย่างนึ่งถึงไม่มีอาหารกินเราก็ไปขอพักได้แล้วที่เขามีน้ํำใจก็ไปขออาหารมาแล้วแบ่งให้ผมพก็ผมจูเล่หน้าผมเทพที่หัวธนาฤทธิ์ <c oughs> อเอพราะเได้อาหารจากวัดมานี่นะก็ชวนผมกินใหญ่เลยนะครับมาทากินคือผมมีความรู้สึกรู้สึกดีทุกครั้งกับการกินอาหารที่มันมาจากคือเขาก็ได้อาหารเย็นได้มาจากพระที่มันเรือเรือนะั่นแหละที่เขาแบ่งให้ผมและชวนเรากินาหรด้วยกันความรู้สึกที่เป็นสุ เป็นเป็นชีวิตที่ที่ดีมากตอนนี้ผมไปนอนในข้าะหลิเกเนี่ยนะแล้วผมก็ตอนแรกก็จะไปช่วยก็ตีก็ตีก็ตีไม่ได้ก็เลยไปอย้าหลังนะครับต่ช่วยข้างหลังแล้วผมรู้สึกดีมากตอนอยู่ข้างหลังเนี่ยเพราะว่าเขาออกไปเล่นลิเกนะข้างหน้าหน้าจ่าพอหมดบทของเขาเขาก็มานั่งคุยกับผมต่อหรือเรื่องไม่ค้าไม่ไม่จบเรื่องเลยนะคุยผมก็อะไร้็เป็นอะไรที่ดีนอกจากดีแล้วเขาก็ยังพาแฟนของเขาคือเมียคือเมียก็ได้แต่ไม่ได้แต่งงานกันเป็นทางคันแล้วตอนในคณะเขาก็จะมีรู้ว่าคนนี้เป็น เขาก็มานั่งคุยด้วยคือคือเขคงมีความสุขเพราะว่าคือผมพูดเรื่องความรักในนี้นะครับผมบอกว่าการที่เราทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เนี่ยต้องมีความรักถ้าเราไม่มีความรักอยู่ในหัวใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทําได้ยากมากแต่ถ้าเรามีความรักอยู่ในหัวใจเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้ก็เลยแล้วผมก็ทดสารภาพว่าเขาที่มาอยู่คณะลิเกนี้ก็ต้องรักผู้หญิงคนนี้อยู่ในคณะลิเกเนี่ยเขเลยไปเอผู้หญิงคนนั้นมานั่งกับผมด้วยแล้วก็คุยเพราะตอนที่เขาออกไปเล่นลิเกข้างหน้า ผั้หญิงคนนี้ก็สามารถคุยหรือผมต่อได้ผมก็คุยเพรว่าเป็นยังไงเนี่ยนะและผมก็เลยได้ฟามว่าผมเลยเล่าใหฝั่งบอกว่าที่ผมทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นคกขนาดัจจุบันคือผมรักภรรยาผมผมรักเป็นที่สุดแะจะต้องการจะยืนยันเพื่อที่สจะเห็นว่าความรักที่มีอยู่เนี่ยเป็นเท่าไรให้เราทำสิ่งที่ที่หมายเป็นการรักําสิ่งที่หมายเปนได้ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนี่มันจะเป็นความสุขเพื่ภรรยาผมคงจะมีความสุขเป็นที่สุดถ้าผมสามารถคิด ใช้ชีว <inequ ity> ิตในการก้าเดินอย่างอดทนเข้มแข็งจนกระทงเติมมาได้แล้ววันหนึ่งเราเกิดได้ผลัดรู้วันว่าชีวิตที่เดินตป็ได้มันมีความหมายที่เช่นก็นี่คือจุดเร่งผมเข้าใจว่าราเชนเขาเามีความรู้สึกประทับใจกับิ่งหลังใช่ไนมครับแล้วผมบอกว่าถ้าไปก็ไปทั้งคู่เพ่เล่นเนียนะแล้วผมบอกตันไี้ได้มันไปกันสามคนแล้วมีผู้หญิงอย่างหนึ่งคนตอนแต่ผู้ิงผมคิดว่าเขาใม้เดินไปเลยทางเรื่งนะครับแต่แรกแรกน้นผมก็เลย แต่ที่น่าเสีครับผมตั้งใจจะปนนะรักปาผมจะพยายามผมจะพยายามทางคณะริเกเนี่ยภูมิลเนาของอหัวหน้าคณะเนี่ยนะครับคือราเชนเนี่ยันไม่จนะเนี่ยนะมีบ้านอยู่ที่กาแพงเพชรอีสังแน้จะยาปรย์ใสั่งเข า, าเรียกอะไรนะ่านคอชุมานครชุมชมีบ้านเดิมที่ท่นคอชุมจะไปที่นั่นไปถามว่าคณะริเก ร, ราเชนน่นอมีใครอยู่ เขาเสียชีวิตบางคนใช่ไหมบางคนเดี๋ยผมไม่รู้ว่าคือใครบ้างแต่เขาบอกว่าหน้าน่าเสียชีวิตตามที่ท่านบอกเนี่ยนะแต่ท่านก็ไม่มีรายละเอียดที่ยืนยันคิตชะนี่ไม่ใช่หัวหน้าธนไม่ใช่เขาเป็นพระเอกเป็นพระเอกคิตชนะอาจงชีวิตก่อนจบรายการที่ตงไม่รับลูกีล กีกายาแล้วก็นิมนต์ทุกท่านเหมือนเดิมไปสองแล้วก็ทีนี้วันนี้จริงๆเราได้รับคัาไม่ใช่แต่แอดับระมวลนะฮะที่ว่าแบบการสนทนาร่วมกันคือทุกท่านเนี่ยทำให้วันนี้แบบมีความลื่นไหลแล้วจริงๆดับระมวนเนี่ยดับเสนอแค่ประมาณนี้คือนาทีเองแต่ว่าแบบที่เราลากยาวมันมาถึงห้าโครึ่งได้เนี่ยเพราะว่าทุกคนได้ร่วมใน การจดบันทึกแม้แต่ระหว่างผมจดเลยครับเอามาทำเป็นหนังสือเราได้ทำประโยชน์ทำเป็นหนังสือแล้วพอไปอ่านต้นฉบับแล้วตอนแรกว่าจะมอบให้คุณจ๋าก็คุณจะาขออาจจะมดูจรนี้ผมไม่มั่นใจว่ากับฉบับที่ผมทําี่นยังไม่เสร็จอันนี้ประมาณสักครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองแล้วถ้าคุณพิมได้แล้วหลายมือผมก็แย่มากหรือจะเอาไปดูก็ได้เป็นเป็นตัวอย่างว่าผมทำเป็นหนังสือได้เลยเล่นแต่ทีนี้มัน คือดูเพื่อเพื่อจะมีอะไรแนะนำผมก็ได้ตอนนี้มันเป็นร่างก็ไมันเขียนคำว่าร่างหน่อม่พมันจะของจริงค่ะนี่อาจรผมเกียรติเชม่เป็นคอรปชั่นนิ้ก่อนนี่จารย์ผมเรียนถามนี้ครับพอดีผมเจอภาษากฤษคาว่า absolute nothing that จะแปลว่าสุญญตาแบบไหน b s o ซ u t e n o t อตติ้งเนผมว่าเราคุณต้องอ่านบริบทของผมนะครับเพราะว่าคำอย่างนี้มันมันมันมีแม่ที่เวลาที่แปลข้อพูดภาษศาสนาเป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าแอปซูลุต์ลอติงเนี่ทคุณพี่พบไปเจอไหม <c oughs> <t illegal survivors> ตอนหลังตอนหลังเนี่ยคำว่า no เนี่ยต้องไม่ใช้เพราะเวลาเราบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาแปลหน้าตาเนี่ยจะแปลว่า no ซ e l l ซึ่งตอนหลังก็หลังไม่ใช้เพราะ no ซ e l l มันไม่ใช่เพราะมัน no ซ e l l คือมันไม่มีตัวตนแต่ทางพุตเนี่ยต้อบอกว่าไม่ใช่ตัวตนเขาเลยเปลี่ยนเป็น non cell นะถ้าเกิดถ้าเกิดใช้คาว่า nothingness เนี่ยมันก็ค้ายๆกับ no ซแบบมันเป็นความคิดเก่าว่ามันไม่มีตัวตนแต่ในทางุไม่ได้บอกว่าไม่ไม่มีตัวตนนะบว่าไม่ใช่ตัวตน มันก็ไม่ใช่การถ่ายรูปทำกันเองทีนี้เเาก็ทำมาแล้วก็เลยเใช้รันเซลเขใช้นอนเใช้นอนนะเพราะานั้นไแต่ว่าไม่ใช่ไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าใช้โนเนี่ยแต่ว่าไม่มีทำผมก็ไม่ใช่ไม่มี มันไม่แตกมันแค่ไม่มีมันไม่เหมืการในแง่เี้นภาันนี้มันเป็นเป็นหลังสือทำมือที่มีต้นฉบับอย่างเงี้ยคือบางช่วงผมแก้ใคให้บาช่วงของบันทึกเสียงผมในการบนทึกตอนเป็นจะนึกว่มีมทำเทำเองแล้วแล้วผมก็มไปทมากทําบันทึกผมเพื่ทุกอางเลยเก็ไปทําทําเม่นกัน ตอนีทายแล้วผมก็ได้มาในเรื่กเลยจเลยอบนี้ก็ดีเลเามานมาเอะไรจ่อง i u o n ดีสนารกมา่ามา่ารักมา่ารัมา่ารานมา่กกกันมากนรัน่ั่ักกากันกร่นม่รน่านา่านก่า พอดีพอหลายคนคี่ตแลฝ่ายจากนคาไม่มี่ควรเข้าเดินคบลงีมดูว่าดูมไม่นอนก็เลยลดี่งรูบชอบเลยชอบเลยเนี่ยหาโต๊แทนไม่เจอเลยเขาจุดแทนเมนีมม้ ว้าวเป็นที่เดียวบ้นเาส๊อฟที่คามรูตี้ลกกับเมื่อคืนโอ๊ยรอบนี้เล่ลขลกดีเลยแล้วผมก็่ได้แ่ทุกนที่ที่ต่างๆดั้งหมดงกัน เขาบอกว่าเขา้องตการยานี้เามีหลักกแล่วนี่เขกรู้ว่าเป็นเพราะอะทีีเด็กใ่หลายนเขทแบบนคือมีความเียบเขาจะทเป็นอะไรทีันงสือที่เป็นการอ๋อหรือถ้ามันแหลรอบบางทีแนี่ยส่วนใหญ่ที่เราทำก็เ็น ลืมไปแล้วไดที่ยอดยต้ได้ไปดูว่มากอมที่มันาปรนี้านมาณมาปนานมามมานะงนนนิดประมาณะิดารประนประมาณมมามมนนนิดารานมงมงนนมาา ทำมาแล้วแลเปาี่ยะการทำเช่นเดียวกันนะที่มีน้อเรยนเดิน่นกันถ้าแรงต้องนะคงต้องการวกากรั้น เป็นยงาีนี่าจะได้ต้องคนีเี่ยวเ้อนคแกล้อเนรนีที่คนทงานหลายไม่เก่งนเวนีาแกไม่เยาผมจะจีบใอย่างนี้จะผ่านไหมแล้วแะเป็นพที่เราได้่าันด้ แม้วคนท้วงที่ว่ามันจะได้แต่ความรู้ของบางคได้ไปถึงคนแลก็ต้องการที่จะได้แล้วก็อยากเราว่าถ้ามีอะไรที่คิดประการคิดคุยของเราเป็นมยผมก็เดินามแล้วนั่น ผมบุ้ยใช่ไหมแต่แต่บุมาจกฝั่งน้นที่อเมริกาก็มีสไปน์ะครับความเมตตาใจอหาให้ผมด้วยเพราะว่าผมผมมีความรู้สึกว่าผมต่อพันเนรกเข้มงวนรี่จะนรถ้รยองัดแต่ตอนนี้ให้นรั้เปลนีร็อก็สต่อนนี้ก็ตอนนี้เพนแค่เระ้ดเกใดอีชทีเนาะมันมันก็มีประโยชน์ แต่ทีนี้ผมบางเรื่องที่ผมแต่เขียนนกรณีเนียมาิเก็ไม่หยุดหไ่ยดมันไมุ่ด่ผลทีนี้ถ้าคอ่านไ่เหตุอที่เขาไปรอนไร่ถาานอารมณ์มไม่ถึงว่าไปเรื่อรที่วันหยุดไปรไม่รอาที่เรื่องได้เรมันจะเรื่องที่เจากง จะมุงพอดีผมมีไปก่อนเลยลายจานก็ต้องกุญแจมั้งก็ต้องเดครับเปดบทความวัจานทร์ผมรเ็ดบทความดีในอกาฉลองครบ60ปีขอาดไ่ด้รู้จกมรู้ว่มรู้ว่าไปบเขาไปบเขาไม่บเา่เราซึชอบมาก ผมกังวลมากเนื hmm. ่องจากว่าชี่ผม่ตอนนี้เลยช้ว้ว่าจะเป็นจงหว่าครักังวลมากอาจจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เน่องาาแล้วก็งรปช้วยปรต้องาปูพืก่อน้องไปประชุมกนนงีตอนนี้ผมอยนีไม่้อาการคุยว่าจสจะดี อาจารย์หนูขอเชาจารยนหรืยว่าอารย์อาายอยู่คนเดียนเออไูที่ดาคนเีวลยไปหน้าละคนนี้ก่อนคนาี้น่แนเป็นเรื่องเลยนะวอยู่ที่หมายถึงว่าถ้าตอนนี้ใครเชิญอาจารย์ไปไหนก็ไม่ค่อยไปอะไรเงี้ย0ล้วนี่เป็นนีเว่า เป็นการเดิางที่เพื่อที่ตัวกจตตัวเราด้วยในก็มองอย่างนี้ว่าถ้าเราสามารถทำบาอย่างาตัวนที่เป็นเชนี้บางครั้งก็จเนรองี่าความสุขถ้าสมมติวันหนึ่งผมลูกการลูกการเดไปทําให้วสุเพราะว่าเป็นเพอาจารย์เช่วยเหลกิจการลงมทั้งประเทศไทย แล้วเจ้าระผมไม่ผมไม่ต้องก่นผมมีอากุอากดูแก่แต่สมุทรีผูแก้แล้วแต่ถ้าเป็นเาคนต่ำมันเองแก้มาแล้วผมก็ไปใส่ตัวนี้แก้ก้อนนึงให้มันสว่างเลยความหนของอะไรนี้ตอนนี้แต่มันได้ง่ายะต้นแบรูปมันมาละเอีไม่ใจไว้อย่างใครอย่างที่ไม่คิดว่าจะติดก็ยังไงร่ะว่าถ้าถึงเราไม่มีโอกาส ได้เดินทางอาจารย์เนี้ยเราก็ผมก็เกียวมากผมพูดแบบก็มองมันจะมองข้ามองจริงของเราเนี้ยเหรอคะก็คือเหมือนกับเต้าจากการเดินทางภายในเราต้องหาภายในของเราเองเนี้ยแหะค่ะทดสอบอหมรดูจิตเราอะไรเนี้ยแหะค่ะแบบคือมันเราเองประเด็นมันคือ แค่นี้คือมุ้ยขอขออาจารย์ผู้คนนี้ขอถามเป็นวันนียหนมุ้ยจำเป็นจะมีความเกิดจริงๆมันมีมันมีในตัวเรามาตั้งแต่เกหรือว่ามันมันไม่ใช่แต่ร่ามันมีเพราะว่าเราถูกถูกเอ่อจากเวลาผู้คนรอกข้างจากการศึกษาที่ที่พูดใส่ใส่ในตัวเราหรือเปล่า จริงๆแล้วความกลัวมันมืหมในในตัวเรามนติดเราจริงจริงมือไหมคะ